แบงค์คอฟเรดิโอฟอร์เมนโดยวิทยาแสงอรุณและสิ้นปิ๊นนะ 3 แล้วสนุกสนาน 24 กรกฎาคมปี 2554 นะครับก็สําหรับคนที่โทรเข้ามานะครับ 90 นะครับสายยังว่างอยู่ ไม่แรงนะเออพอจะมาเล่าเรื่องสเปตเลยนะนะอืออ่ะๆๆ ครับไม่กล้านึกออกทีใดก็อ้าว 5:00 อ่าตอนนี้เลิกอือๆก็เลยพลาดสิ่งดี ใช่ครับเงื่อนไขอะไรที่คุณเกียรติเกียรตินะครับละอะไรนะเงื่อนไขคือจะต้องจะพบกับเออที่เคยที่เคยจะก็ต้องรับโทรศัพท์ทุกครั้งใช่ค่ะใช่ใช่มั้ยเราเราจะแบบจิตตกเลยใช่มั้ยโทรศัพท์ แล้วเค้าโทรมาในเวลาต้องรู้สึกว่าเวลานี้เราทํางานอยู่เราไม่สามารถรับได้แล้วเค้าโทรมาทําไมก็อืมก็เลยทําให้ใช่ครับบาง อ่ารับไม่ได้ครับไม่รับเลยแล้วก็ไม่กดทิ้งด้วยเค้าคุยกับใครอ่ะโอเคตอนนี้ลูกค้ามาเค้าเสียงสั่นมาแล้วรู้แล้วไม่ว่างทันทีเนี่ยคนนี้แน่ปุ๊บแล้วหลังจากนั้น แล้วมีมีเราอืมก็มีก็มีแต่ใช่ 2 ครั้งแล้วก็วางก็ไม่ไม่คิดอะไรก็คิดว่ายุ่งเออแล้วไม่ไม่เถียงไม่เถียงกับเค้าว่าเวลาผมโทร อ่าเข้าใจอ่ะถ้าบอกพอมาแล้วก็เป็นมากๆผมก็จะไม่รับเลยแล้วก็ทําให้คอยด้วยอ๋อก็เลิกกันไปเลยอ่าแล้วแต่แล้วแต่เออคือคนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอวิเคราะห์คนนี้นิดนึงคนที่โทรเข้ามาแล้วบอกเราว่าคนที่เราเคยคบเนี่ยต้องรับทุกครั้งที่เขาโทรมาเนี่ยคือเค้าเป็นคนที่รู้สึกว่าเค้าไม่มีความสําคัญอย่าง ใช่ครับก็ก็ตอนที่เราคบๆกันเนี่ยก็บอกแล้วว่าโทรศัพท์เนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาว่างรับอย่างน้อยก็ถ้าเลิกงานแล้วถึงรับได้พูดมีบ้างหมดก็ อ่าส่วนใหญ่ของจะคบคนที่โยมมากกว่าครับเอ้าคนมากกว่าทั้งอืมแสดง ตุปาเลยมีเรื่องไม่ครับ ก็เหมือนเราว่าเขาไปเจอคนใหม่ที่ใช่กว่าได้เป็นได้เกี่ยวข้องเป็นโอเปอเรเตอร์ ก็อยู่ดิ 2000 33 เออใครหรือเปล่าวะน้องนนก็อยู่ก็อยู่ 1333 ไม่รู้ใช่มั้ยอ่ะครับพี่ใกล้ไม่ไกลเองแฟนเราอืมๆแต่เขา คนผมเนี่ยเขาจะทํางานพวกออฟฟิศธรรมดาครับแบบค่อนข้างสัพได้แล้วเป็นคนชอบคุยพูดคุยโทรศัพท์ด้วยเพื่อนเข้าไปหาเพื่อนก็แน่นอนบอกเฮ้ยนี่มาโทร ก็คบกันแล้วมันต้องสนใจนะครับไม่ใช่ๆมันก็จะวุ้นวายก็จะแบบเหมือนว่าวันนี้ต้องนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ เค้าก็นึกว่าเค้ามาตัดผิดอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ก็นอกจากมีเรื่องโทรศัพท์โทรด้วยผมอยู่จักรเทศะอืมก็กล้องที่แบบมีงานอย่างเงี้ยแล้วแบบผมต้องแบบทําอืมๆเค้า นั่นที่ทํางานเลยที่ติดทํามาก็ทํางานต่อสบาย ย้ายแต่ตำแหน่งคือได้ย้ายตำแหน่งมาแล้วครับก็เลยสบายขึ้นนิดหน่อยอืมๆหนูอีกแบบ ขอแบบไม่ต้องไม่ต้องจุ๊จี้กับเราจริงไม่ไม่โกหกค่ะเออว่าเออเท่านั้นเองง่ายๆง่ายๆเออแล้วเราอธิบายกันแล้วมันต้องมีเหตุผลเป็นผู้รับโทรศัพท์ไม่มีมิสคอลเลยใน นี่อย่างห้องน้ําอย่างเงี้ยกําลังอื้อๆ แฟนที่เหี้ยหมดเลยเอาแฟนคนนี้ไปเออเขาตัวเลวตัวนี้ไปเลยคือ คนเยอะมากคนเยอะมากครับ 1 เออในชั้นทักทายมาบ้างนะครับใครที่ไม่ BB ก็สวัสดีครับแล้ว ได้กินภาษาไทยหน่อยแจ้เหรอในน้องเขียนภาษาไทยมา กรอบอยู่เนี่ยพิมพ์ทักจากที่ไหนอ่ะรู้รำคาญอะไรคุณอะไรครับ เชิญ อ๋อเนี่ยครับก็ที่ที่ไปเมื่อวันที่เอ่อที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ช่วงที่หยุด ใช่ค่ะก็แบบว่าอยากให้แบบเพื่อนๆอ๋ออ๋อชอบก็ตรงนี้แหละวันนี้แหละเออไปก็รีสอร์ทแบบว่า มีมีแบบน้ำค้างมีอะไรอย่างเงี้ยแบบบรรยากาศแบบคนสบใครปล่อย มีแฟนละคนประสบการณ์อะไรครับแชร์ประสบการณ์กันคุยอ๋อคุยแบบ เพงถามเค้ามั้ยไม่ได้ถามอ่ะครับอ้าวไม่ได้ถามเออถามแทนว่าโดนกันตรง โอเคก็ขอบคุณมากนะมารับประสบการณ์ต่างนะครับถ้าทริปหน้า แหมก่อนหน้านี้เค้าก็คุยเอ่ออ่าเอ่อสวัสดีจ้าครับคืบหน้าหืออยู่ตัวแล้วยัง มันต้องคิดแหละของผมมันมันมันลืมไม่ได้เดี๋ยวเราพูดยิ้มๆกับพี่นี่มันความหมายอื่นนะไม่ใช่ครับสะแยะได้สะแยะยิ้มได้อ๋ออืมก็เหมือนไม่รู้ผมมัน มีผมผมเองก็ออกหาคนอะไรอะไรนะคนโสดอ่านั่นแหละผมก็ลงไว้ก็ก็มีคนแอดมาคุยครับแต่ผมก็มากกว่าอืมผมเฮ้ยมันเออมาถูกทางสไตล์ตรงกันก็คุยปกติ พี่มาอ่าอันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือว่าเริ่มคุยนี่ไม่ได้คิดว่าเริ่มคุย รุกเต็มที่เลยมั้ยก็ก็มีนะแต่ผมๆใส่ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าค่อยๆให้ครับคือเมื่อก่อนเลยฉันต้อง ขอเป็นเพื่อนไปก่อนอันนี้เพราะเพราะก็อารมณ์ว่าคือโอเคผมเป็นคนเซฟอยู่แล้วไงแต่ว่าแบบอ่าก็เหมือนเหมือนก็ส่วนนึงที่มีคําว่าใช่ เอ่อยามาโกะแล้วก็จริงใจก็แค่อืมครับแต่ตอนอืมก็ละลาดเนี่ยผมว่า 24 ชั่วโมงนี้ว่างมากเลยจะทํา ใครจกไปได้เพราะแม่คิดได้นี่ผมผมงงมากเลยที่ไม่ใช้นอนมันก็วายมันก็เห็นทุกวันนะพออีวันเนี้ยอยากจะเล่นมัน เลยไม่ต้องสนใจใครเป็นช่วงเค้าเรียกว่าช่วงรักตัวเองอ่ะพี่รักตัวเองเป็น PPPA ที่บอกว่าตุลาคมไปสมิทธิ์อย่า 5 6,000 อืม 20,000 ก็ไปได้แล้ว 3 3 เองไม่เกินไม่ ไม่ใช่เท่าไป 3,000 ก็ไม่ถึงเออเจ๊จ่ายให้ครึ่งไม่จ่ายให้ครึ่งนึงแล้วเออจะ จะกลับเอทไม่ทรมานโทรลกรรมขนาดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็ได้ครับ 2,000 ก็อยู่ไปคน นี่จะเป็นครั้งแรกดูว่าจะไม่แต่ถ้าไปไหนก็ต้อง 2 คนเช็คอินเช็คอินอ่านะครับนำการครับนึงเออก็เป็นอย่างงี้ นะครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนความคิดเรายังไงให้ตัวเรา เมื่อเร็วๆนี้ก่อนใช่จดทะเบียนได้แล้วๆคู่เค้าประมาณ 800 กว่าคู่อ่ะที่ลงใช่ที่ลงลงทะเบียนว่า 24 ใช่ 24 24 กันยายนก็คือเป็นวันแรกเลยที่ อย่างถูก 800 คู่ 800 เอ่อ 23, เอ 23 คู่ทั้งหมดนะครับ 8 เดือน 8 ปี 2008 ใช่มั้ยพี่ 600 กว่า 610 คน 600 610 คู่อืมแล้ว 2003 ก็ 621 คู่แปลว่าไม่ใช่เกย์เลสเบี้ยนจดทะเบียนๆไป 4 พวกก่อนหน้าของ 800 ทำลายได้ 24 ใช่ทั้งหมดที่เคยมีมาเลยนี่นักกลัว 24 ชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวดูข่าว 8 ล้านคนเยอะไงที่นั่น ก็ไปเจออ้าวคูหนีบใช่ด้วยหรือว่าพออันเนี้ยมันก็จะเหมือน ใช่มั้ยแบบโอ๊ยกินลาวง่ายๆกัน อยากจะแต่งก็แต่งกันไม่ได้อยากกระตดก็กระตดไม่ได้ 18 กรกฎาคมอาทิตย์ที่ 80 ต่อ 13 เสียงรับ โอเกนนะครับที่ยอมรับตัวเองอย่างเป็นอย่างเปิดเผย ไอ้โนอาคโนเทลอะไรก็ดนอาร์ดนเทลเออก็เปิดอะไรไปแล้วนะก็ 15 ปีแล้ว 15 ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยใน ทัสนาคติตายนะนึกดูนะมันอยู่ที่ความคิดอ่ะมันไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรเลยว่าไปห้ามเค้าชายหญิงก็จะไปคนที่เป็น เออเป็นเรื่องปกติ 5 ปีอ่ะ ปกติมาเห็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่มั้ยธรรมดาอ๋ออ๋อแฟนเธอผู้ชายอ๋อนี่เธอไปโอ้ที่ซาคราเมนโตนะครับนายเจอรี่บราพูดว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ SB 48 เมื่อต้นเดือนนี้ประกาศต้น 14 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย 2556 หมายความว่าจะ ทีนี้ก็จะบอกโอเคชายมีอาจจะอ่าไม่ใช่มาครับผม They man video format โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋า เออจําโอเคเบรก 24 นะครับกรกฎาคมปี 2554 นะครับอ้ามีใครมาไหมไม่สนุกเออแล้วคน ดิปเซลล์มาทาง MSN ว่าเอ่อพี่โหนกไปรับฝีปากมาที่ครับมีสายแล้วมีฮัลโหล คือเคเคครับเคเคเคเคฟังรายการครับอ๋อย้อนหลังอ๋อเคเคอายุเท่าไหร่แล้ว 31 ครับ 31 เนาะครับอ่าแล้ว 9 ครับพะลามก็โอ้โหเจ๋ง มั้ยแล้วก็ถามถามเพิ่มเติมเลยโสดมากๆโสดก็อือชั่วโมงที่แล้วพอเที่ยเออโสดมากๆเออ เขาไม่มีเวลาให้มั้งครับอ๋อเขาไม่มีเวลาให้ก็ผมอ่ะ KK ซึ่ง KK ไม่เชื่อใช่มั้ยก็เช่นก็อย่าง เอ่อเครโทรมาเวลานี้ก็จะผิดเวลาครับแล้วก็โทรไปไม่รับไม่โทรกลับโทรไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอ่อระยะเวลาที่แบบจะมาเจอกันเงี้ยครับก็จะครบกันนานยังอ่ะครับวัน น่าจะประมาณสักเดือนนึงหลังหลังครับโอ้โหนานอยู่นะหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังอืมอืมก็ตอนนี้สุดสุดแล้ว ดีนะเออใช้คํานี้อยู่ได้ใช่เพราะหลายคนอ๋อแฟนคนแรกด้วยใช่อ๋อคุณจะไม่เคย นึกว่านัคเคเค 31 คนนี้เป็นคนแรกครบกว่า 1 ปีครึ่งก็คือ 30 พอดี 20 ถึง 30 เธอยังแล้วไม่ 15 16 ก็มีแฟนกันตัวสัก 30 เนี่ย ไม่ได้หรอกครับแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะ 30 เนี่ยเราอ่ะอ๋อเจอเจอจากเน็ตอ่ะครับอ๋อเจอกันในเน็ตเค้าเราก็ไม่ได้เคยคุยกับใครในเน็ตยังไงก็ก็เคยคุยอ่ะครับแต่ก็ไม่ไม่ทักทานกันเป็นแฟนนะฮะมีคลิกมั้ย อ่ามีมีเอ่อมียิ้มอะไรกับใครใช่ไม่ไม่มีครับอ๋อไม่มีด้วยหรอไม่มีอะไรกับใครเลยเปิดซิงค์กับแฟนคนแรกเลยครับใช่ครับโอ้ ทัชช์อินคูลแพงมากทางมั้ยครับอะไรนะทัชช์อินคูลแพงมากครับสะหลึงเองด้วยไม่ครับสะหลึงคือ 50 ตังค์ 3 ครั้งอ่ะค่ะแถม ปกติๆก็คือมีคนอย่างนี้อยู่จริงๆเออเกี่ยวคือเพิ่งๆๆครับก็ Facebook อ่ะครับสเตตัส เพลงอกหักอะไรประมาณเนี้ยครับต่อไปของแฟนใช่เออไม่อืมก็ก็แค่กําลังใจเฉยๆอ่ะครับแต่ว่าก็ไม่เออมันก็จบเราหรืออืมก็คือพอพอมีปัญหา อ๋อก็เป็นเป็นก็ไปคุยว่าเออเอ่อเค้าไม่ๆอะไรอย่างเออจะแล้วผมว่าเอ้ยจะทํา ให้เราเปลี่ยนสถานะกันดีพฤษภาอะไรอย่าง อ๋อก็ก็เดือนนี้แหละครับเดือนมิถุนายนช่วงมิถุนายนครับเดือนแล้วแล้วยังไงเค้าเค้าดูสุขภาพแข็งแรงดีจิตใจดีครับ จากเราเรากําลังมีปัญหาแหละแล้วก็มาจบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือๆของเราอยู่ต่อไปไม่แล้วเคเคนิด ไม่มีใครคิดจะทํายังไงหรอกก็ก็ก็ก็ก็อยากนานๆแล้วเราใช้วิธีอืมก็ก็ทําอืมครับกลับคุณอืมแช่เอ๋อเลย <imen ode> ไม่ไม่ให้ว่างอ่ะครับอืมก็จะลืมๆอืมแสดงว่าตอนนี้จะเป็นอะไรก็ อืมอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องถามนิดนึงว่าครับถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้คบโอเคหยวนๆนะ หมายถึงข้อจํากัดต่างๆอ่ะครับไม่ค่อยมีข้อจํากัดอะไรเท่าไหร่เออครับฮะหน้ามีอะไรก็นะครับออกสาวขึ้นได้มั้ยฮะก็แฟน เทพหมดเลยแฟนบุพพลขอปรบมือให้อ่ะชอบแฟนเก่าเฝ้าแรกๆก็มีแฟนอยู่เยอะเปล่าอะไรนะแรกๆก็เฝ้านิดนึงเค้าคบไปคบไปก็เฝ้าเยอะอ่ะครับเค้าหรือคุณอ๋อเค้าเค้าหรือ อ๋อเหมือนเหมือนขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ครับอ่าครับคุยได้แต่ก็ไม่ได้เราก็ยังไงก็ได้ถูกมั้ยแล้วก็เปาเปา คนแบบอืมใจดีใจเย็นนะครับอืมดึงคะแนนของดิฉันเข้าใจเคมีเฟซบุ๊กอ่าจะไปแอดกับ พี่ติ๊นนะครับผมบอกว่าเอ้อ ถ้าคุณไม่โทรเข้ามาเลยว่าทักทายเราบ้างเราก็รู้สึกว่าเราสูญเสียคุณนะเออแล้วมันไม่เราก็ ก็รู้อยู่แล้วว่าเราจัดเวลาไหน เอาเค้าเปลี่ยนเวลานะฮะนั้นก็ช่วงสุดท้ายครับก็เกือบหลุดไปใช่มั้ยก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วย อะไรที่ทําให้คุณเครียดเครียดแต่ว่าก็ได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตๆพูดถึงชีวิตพวก เราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วใช่จะดีมากถ้าเรามีครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีจ้ะครับคุณมาได้วันนี้อะไรครับอือเดี๋ยวคุณอ่าคุณปูนเรื่องอะไรอะไรนะเกลียดขาย ที่เกลียดอ่ะครับที่เกลียดอ่ะเออที่เอาไม่รับไม่ได้ทําให้ไม่เจอซะ elaaiz hahaha q q q q q thiski to be a 4 você ci. q AT diet students are human. Q Q A Q I H G G A H A Q Q A A Q A Q N. A Q A Q A N. A Q O O G AQ A Q A Q Q A Q A W A Q A Q A Q A Q A A Q A F A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A W A Q A Q A Q ไม่ได้พูดโกหกบิดเบือนไปอีกด้านนึงไงคือเล่าไม่หมดไงเล่า อ่าพี่ยังไม่เจอยังหาคนนั้นไม่ได้แล้วคนนั้นล่ะคนนั้นโทรศัพท์เธออ่าปัจจุบันนี้เค้าปิด Facebook ไปแล้วๆกันแบบนั้นเลย มีแค่คนที่คุยด้วยแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเท่าเออครับคนครับก็ก็เออบางทีก็แบบไม่ค่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยครับบางที ไม่ได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ครับอืมก็ยังดีก็ยังดีนะแต่อย่างน้อยว่าดู จะมีหรอจะมีมีตติ้งใช่มั้ยครับอันนี้บังคับ ทำไม่สนนะฮะทําไม่ก็ผิดหวังคือเออลองแนะนํามาอืมอ่ะเดี๋ยวจะไม่หมดเวลาเราคุย นางแบบคนเนี้ยครับคนนั้นชื่อน้องรีอาทีเออรีอานามสกุลทีคือเป็นชื่อน้องรีอาทีทําอะไรครับ นางหลับว่าฉี่นั่งหรอตอนนี้เธออันนี้เธอเป็นนางแบบดังอ๋อเป็นปกนิสสันเลิฟของ มาทํางานด้านแฟชั่นเพราะตอน 2 เหรอใช่อ๋อเอ้าที่เล่ามาเนี่ยเออแล้วอยู่ดีมันไม่เป็นไม่ 2 ฟังไว้ ฉันจะคือเค้าโดนทนรอ แล้วเราก็จะผ่านมันไปได้มันก็เกิดขึ้นมาอาชีพของผมเนี่ยผมถูกด่าเป็นประจำอยู่ แล้วก็ไม่ควรปิดบังตัวนี่ก็คือเธอเห็นเออเธอก็เออน่าสนใจมาก เออนั่นแหละประจำ 20 ถึง 31 กันยายนขอบคุณขอบคุณเป็นกระเทยครับยังไม่แปลงเพศอันนั้น 25 ปีที่เค้า เขาขอเปลี่ยนคํานํา เป็นห่วงว่าหากเปลี่ยนชื่อไม่ได้จะคือทางมาเลเซียเนี่ยยังยังค่อนข้างเสี่ยงกับด่านทางด้านนี้มากๆคือน้องคนนี้เนี่ยมาแถวบ้านเราสิเอออ่ะ ของเอ่อคนคนนึงที่ไปที่สมแมทใช่คุณเอแพขนงน้องเอเป็นไง 2 อาทิตย์มั้ยๆๆเป็นอย่างดีอ๋อสมแมทรอบที่ผ่านมาคนก็อ๋อก็พอ 2 ครับก็มี เอ่อไปเต้นในวงบงปฏิแล้วก็เราไปเต้นเออท่านั้นแหละมากเอาท่าแมนมากท่าแมนแมนน่ะครับว่าแบบเออดูเออเออคนนั้นก็ดู 2-3 วันนี้ก็ตามมาเต้นท่าแมนนั้น เป็นพี่ชายกับน้องสาวอีกคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นบุคคลไปเลยอะไรยังไงต่อแล้วเสร็จ 4 คนเป็นน้องสาวต้น 4 คนน้องสาว ตัวมันนั่นแหละตัวมันนั่นแหละอ๋อแค่เดียวคือผมก็มองๆอยู่อ้าวเฮ้ยเคเอ้ยเห็นตั้งแต่เลยเออแล้วเสร็จแล้วเพื่อนมันก็เต้นพี่คนนี้คนที่ ไม่เมาไม่เมาด้วยหรอมีสติสัมปชัญญะดีเค้าครบเค้าถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยอ๋อออกสาว ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่อยากได้ที่อยากได้ๆอะไรเบ๊ๆเรื่องรักษามารยาทกระทําบรรทัดแล้วยังไงต่อเป็นแม้ต่อไปต่อๆแล้วพี่เขาทํายังไงต่อแล้วเสร็จ แล้วเสร็จแล้วผมก็หันไปคุยกับไก่เล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มครับหันมาอีกไม่กลับมาในฟลอร์อีกเลยอ๋อไม่ ตอนชาวจริงๆผมว่าๆแล้วอ๋อตอนที่หลังจากพี่เค้าเสร็จภารกิจไปน่าจะเสร็จภารกิจแล้วผมเอาไปคิดว่าพอโอ้ย ทางก็ก็คุ้มนะก็คุ้มอยู่ใช่มั้ยเพราะว่าอุตส่าห์เต้นท่าแมนแล้วก็มี ตรงที่ที่เดิมที่เค้าเคยมีอ่ะครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจ อืมเดี๋ยวอันนั้นเค้าก็สาวๆพี่เค้าก็สาวๆอยู่เออใครจะรุกใครจะรับล่ะแล้วถ้าเกิดตอนก็ต้องก็ต้องก็ต้องพี่ดีกันฝันมี อาทิตย์บ้านเอ้ากระสงฟังมาโอ้โหภาพคำถามอะไรกระจกก็มีมาลางกัสก็มาแล้วเมื่อ น้องหลี่เปิงมานี่ผมเป้พี่หนอพี่สวัสดี